คำว่าอิท่เนี่ยนะก็คือในศาสนานี้ในทิฏฐินี้ในความควรนี้ในความชอบใจนี้ในความถือนี้ในธรรมนี้ในวินัยนี้ในธรรมวินัยนี้ในปาพจนนี้ในพรหมจรรย์นี้ในสาตว์ศาสตร์นี้อันนั้นก็คือในพระศาสนานี้ถามว่าเอาชาติไหนกันล่ะก็อัตภาพนี้ในมนุษย์โลกนี้แหละเหมือนนถ้าจะศึกษาปฏิบัติตามคําสอนก็ต้องนี่แหละในอัตภาพชาตินี้แหละในมนุษย์โลกนี่แหละไม่ต้องรอชาติหน้าอะไร คำว่านิปโกเนี่ยนะที่แปลว่าผู้มีปัญญาก็คือเป็นบัณฑิตมีความรู้มีความตรัสรู้มียานมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทำลายกิเลสเนี่คคำว่ามีสติก็มีสติด้วยเหตุสี่ประการเนี่ยนะมีสติเพราะว่าเจริญสติปฐานเป็นเครื่องพิจารณาเห็นกายในกายทนในหน้าสามสิบห้าเนี่ยนะอธิบายถึงคำว่ามีสติ ที่บอกว่ามีสติเจริญกายานุปัสนาสติปทานในกายมีสติเจริญเวทนานุปัสนาสติปทานในเวทนาทั้งหลายมีสติเจริญจิตตานุปัสนาสติปทานในจิตทั้งหลายมีสติเจริญธรรมานุปัสนาสติปทานในธรรมทั้งหลายหรือว่ามีสติแม้ด้วยเหตุ4ประการอื่นอีกก็คือมีสติเพราะเว้นจากความเป็นผู้ไม่มีสติเพราะธรรมธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความทรรสติ เพราะละธรรมะอันเป็นค่าศึกแก่สติเพราะไม่หลงลืมธรรมะอันเป็นนิมิตแห่งสตินี่ไงิกษจมีสติด้วยเหตุสี่ประการไม่ให้อื่นอีกก็คือมีสติเพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยสติเพราะถึงความชํานาญด้วยสติเพราะเป็นผู้คล่องแคล่วด้วยสติเพราะไม่กลับลงจากสติหรืออีกในหนึ่งก็คือมีสติด้วยเหตุสี่ประการว่ามีสติเพราะเป็นผู้มีสติเสมอเพราะความเป็นผู้สงบเพราะความเป็นผู้ระงับ เพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะของผู้สงบทังที่ก็มีสติเพราะพุทธานุสติเพราะธรรมานุสติเพราะสังขานุสติเพราะสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอานาปานสติมรณานุสติกายกตาสติอุปสมานุสติเนี่ยนะมันคุณธรรมคือสติดังที่กล่าวไปเนี่ยนะสติสติสัมโพชงเอกายนามักเรียกว่าสติ ภิกษุเป็นผู้เข้าไปเข้าไปพร้อมเข้ามาเข้ามาพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยสตินี้ภิกษุนี้เรียกว่ามีสตินั้นเพราะนั้นก็ให้มีสตินะควรเป็นผู้มีสติใช่ไหมในศาสนานี่แหละเนี่ยนะมีสติตามทิฏฐิตามความควรตามความชอบใจตามธรรมตามวินยัยตามธรรมวินยัยตามปา พ, พจนรรสัตธุศาสตร์นี่แหละให้มีสติก็มีในอัตภาพนี่แหละเอาชาตินี้นี่แหละว่างั้น คำว่าได้ฟังคําแต่ปากของเรานี้แล้วก็คือได้ยินได้ฟังศึกษาเข้าไปทรงจําเข้าไปกําหนดแล้วซึ่งถ้อยคําคําเป็นทางเป็นเทศนาอนุสนธิของเราแต่ปากของเรานี้ฉะนั้นจึงชื่อว่าบุคคลได้ฟังคําแต่ปากของเรานี้แล้วคําว่าศิกขาในคําว่าสิกคสเคเนี่ยนะที่บอกว่าศึกษานิพพานเพื่อตนก็ศึกษาไตรศิกษาสามดังที่กล่าวไปเนี่ยนะศึกษานิพพานเพื่อตนก็คือศึกษา นิพพานเพื่อดับบาปอากุศลทั้งหลายคําว่านิพพานามัตตโนนี่ความว่าพึงศึกษาแม่อธิศีลสิคขาแม่ที่จิตสิคขาแม่ทธิปัญญาสิคขาเนี่ยนะเพื่อดับราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธหรือว่าพึงศึกษาที่ศีลสิคขาที่จิตสิคขาที่ปัญญาสิคขาเพื่อดับเพื่อสงบเพื่อเข้าไปส ง, สงบสงบวิเศษเพื่อดับสละคืนระ ง, งับซึ่งบาปอากุศลทั้งปวง เพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ออธิฏฐานจิตก็ชื่อวสิกขาหรือว่าน้อมจใจไปด้วยศรัทธาประคองความเพียรตั้งสติตั้งจิตรู้ด้วยปัญญาก็ชื่อวสิกขารู้ยิ่งกําหนดรู้ละเจริญทําให้แจ้งก็ชื่อว่าสิกขาเนี่ยนะผู้ที่ศึกษานี่ก็สมาทานประพฤติสมาทานปฏิบัติฉะนั้นจึงชื่อว่าศึกษาอินิหานเพื่อตน เพราะฉะนั้นสรุปคําตอบที่พระพุทธเจ้าตอบก็ว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงเป็นผู้มีปัญญาะก็สอนให้มีปัญญามีสติก็คือมีสติปัญสีเป็นต้นทําความเพียรพยายามในธรรมวินยัยในศาสนานี่แหละในอัตภาพนี่แหละบุคคลได้ฟังคําแต่ปากของเรานี้แล้วคือฟังเรื่องเป็นผู้มีปัญญามีสติทําความเพียรยังไงนะพึงศึกษานิพพานเพื่อตนอืมทีนี้ ท่านโทตกะมนพก็ถามต่อไปว่าข้าพระองค์ย่อมเห็นพระองค์ผู้เป็นเทพอันนี้ก็เป็นคําชมพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้เป็นเทพผู้ไม่มีเครื่องกังวลเป็นพราหมณ์เที่ยวอยู่ในมนุษยโลกข้าแต่พระองค์ผู้มีพระสมณตาจักษุข้าพระองค์ขอนมัสการพระองค์นั้นข้าแต่พระศักกะขอพระองค์จงปลดเปลื้องข้าพระองค์จากความสงสัยทั้งหลาย ก็ยกย่องชมเชยพระผู้ได้เจ้าเนี่ยนะแล้วก็ขอให้พระองค์ช่วยปลดเปลื้องให้ด้วยช่วยแก้ความสงสัยให้ทีเหมือนกันที่บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเทพเนี่ยนะศัพท์วเทพเทวะเนี่ยนะมีอยู่สามความหมายคือหนึ่งสมมุติเทพสองอุบัติเทพสามวิสุทติเทพสมมุติเทพก็คือพวกพระราชาราชกุมารีพระเทวีอย่างนี้เรียกว่าสมมติเทพก็เทวดาโดยสมมุติคือพระราชามหากษัตริย์ทั้งหลาย อย่างที่สองอุปติเทพอุปติเทพก็คือเทวดาชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรนิ ม, มิตาวสวัสดีหรือแม้กระทั่งพรมทั้งหลายก็เรียกว่าอุปติเทพเป็นเทวดาโดยการเกิดส่วนวิสุทธิเทพก็คือพผ้ารหันตะขีนาศผ้ารหันนั้นสาวกของพระพุทธเจ้าพระปัเจกพรพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ชื่อว่าวิสุทธิเทพพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนะเป็นเทพ คือเป็นเทพยิ่งกว่าสมมุติเทพกว่าอุบัติเทพและกว่าวิสุทธิเทพพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเทวดายิ่งกว่า เ, เทวดาสมมติกันยิ่งกว่าทเท ว, วดาที่เกิดยิ่งกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนะพระอรหันต์ <c oughs> าาเป็นหมื่นเป็นล้านองค์ก็ไม่ได้เท่ากับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเลยพระมาณนั้นเพราะพระองค์เนี่ยจึงยิ่งกว่าวิสุทธิเทพทั้งหลายเป็นเทพยิ่งกว่าเทพเป็นสีหายิ่งกว่าสีหาเป็นนากยิ่งกว่าน้าเป็นเจ้าคณะยิ่งกว่าเจ้าคณะ เป็นมุนียิ่งกว่ามุนีเป็นพระราชายิ่งกว่าพระราชานั้นจึงเรียก ว, ว่าพระองค์เนี่ยเป็นเทพเนี่ยนะคําว่าปัต ส, สามหังเทวมนุสโลเกความว่าข่าพระองค์ย่อมเห็นพระองค์ผู้เป็นเทพคือเห็นพระองค์ผู้เป็นอติเทพคือเป็นเทพยิ่งกว่าเทพเนี่ยนะย่อมเห็นย่อมดูย่อมเล่ดูย่อมเพ่งดูย่อมพิจารณาซึ่งพระองค์ผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพ คำว่าอากินเจนังเนี่ยนะอกินจนังก็คือไม่มีกังวลเลยนะอะไรอ่ะทําให้กังวลก็คือราคะโทสะโมหะมานะทิฐิกิเลส ท, ทูจริเรเนี่ยเป็นเครื่องกังวล <S <S บางอย่างก็เราก็กังวลด้วยราคะใช่ไหมยอยากจะไปเนี่ยนี้ก็เป็นความกังวลอย่างหนึ่ง <S <S <S ความโกรธนี่ก็กังวลด้วยความหงุดหงิดหรือกังวลด้วยความหลงด้วยความถือตัวด้วยความเห็นผิดหรือด้วยกิเลสด้วยทุจิเรศทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เป็นเครื่องกังวลทั้งนั้นแหละ เครื่องกังวลเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปอีกเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้แล้วจึงชื่อว่าไม่มีเครื่องกังวลพระองค์นี้เป็นผู้ไม่กังวลกังวลในทิศสีจะไปที่ไหนพระองค์ก็ไม่กังวลเพราะกิเลสเป็นเหตุให้กังวล น, นี้พระองค์ละแล้ว คำว่าบราหมนังความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะทรงลอยบาปประธรรม7ประการคือลอยสักกายติฐิวิจิกิจชาสีละพระตปรามาตลอยราคาโทสะโมหะมานะและลอยธรรมทั้งหลายที่เป็นอากุศลอันลา ม, มกอันทําให้เศร้าหมองให้เกิดในโภคใหม่มีความกวนกวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชาราและมรณะต่อไปอันคําว่าพราหมณ์ที่แปลว่าผู้ลอยในที่นี้ก็คือลอยบาปนั่นเอง ลอยกิเลสรอยบาปลอยอกุศลดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับสพยปริพาชกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าลอยเสียแล้วซึ่งธรรมะอันลามกทั้งปวงปราศจากมนถินมีจิตตั้งมั่นมีจิตคงที่ล่วงแล้วซึ่งสงสารเป็นผู้บริบูรณ์พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตันหาและทิฐิไม่อาศัยแล้วเป็นผู้คง ท, ท, ท, ที่บัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้ประเสริฐก็คือเป็นพรามเนี่ยนะว่าเป็นผู้ลอยธรรมะอันลามก ปราศจากมนทินเนี่ยนะละบาปละอกุศลจิตเนี่ยตั้งมั่นจิตคงที่ล่วงวัตตะสงสารตันหาและทิฐิไม่อาศัยแม้แต่ในทุกอารมณ์เป็นผู้คงที่จริงๆ จ, งจึงเรียกว่าเป็นพราหมณ์เป็นผู้ประเสริฐคําว่าอริยะมานังคำว่าเที่ยวไปเที่ยวไปทั่วพลัดเปลี่ยนอิริยาบทรกักษาเป็นไปเยียวยาเพราะฉะนั้นผู้ว่าผู้ไม่มีเครื่องกังวลเป็นพราหมณ์เที่ยวไปไม่มีกังวลด้วยกิเลส เป็นพรามที่ลอยบาปอากุศลเที่ยวไปในอิริยาบถ ท, ทั้งหลายนี่นะอันความปรารถนาขอละกิเลสเนี่ยนะเป็นผู้ลอยบาปไม่กังวลด้วยกิเลสละบาปได้ทุกชนิดใช้ชีวิตเป็นไปแบบนั้นนี่นะปรารถนาจะเป็นแบบนั้นปรารถนาจะเที่ยวไปในโลกแบบคนไม่มีกิเลสอ่ะไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเครื่องข้องอะไรเลย คำว่านมัสสามินมัสสามิก็ที่เรียกว่านมัสการเนี่ยนะว่าข้าพระองค์ขอถวายนมัสการด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตนะนะขอกราบขอไหว้เอากายวาจาใจนี่แหล้เป็นเครื่องเคารพเป็นเครื่องสักการะเครื่องกราบเครื่องไหว้นะขอนมัสการด้วยข้อปฏิบัติอันเป็นไปตามประโยชน์หรือขอนมัสการสการะเคารพนับถือบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ข้อปฏิบัติบูชาเรือปฏิบัติธรรมเพื่อสมควรกับโลกุตระธรรมนั่นเองทีนี้คำว่าสัพพัญญุตยานเรียกว่าสมันตะจักสุที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีสมันตะจักสุอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าไปเข้าไปพร้อมเข้ามาเข้ามาพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยพระสัพพัญญุตยานนั้น เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสัพพัญยุตยานก็เลยเรียกว่าผู้มีสมันตะจักสุพระตถาคตพระองค์นั้นไม่ทรงเห็นอะไรอะไรน้อยหนึ่งในโลกอ่ะไม่มีที่ไม่ทรงเห็นเนี่ยนะไม่มีหรือที่ไม่ทรงรู้อะไรอะไรที่ไม่ทรงรู้แล้วเนี่ยไม่มีเลยแปลว่าสีที่ไม่ทรงเห็นไม่มีที่ไม่รู้ก็ไม่มีพระตถาคตรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งบวงธรรมชาติที่ควรแนะนามีอยู่ พระตถาคตรู้ยิ่งซึ่งธรรมชาตินั้นแล้วเพราะฉะนั้นพระตถาคตจึงชื่อว่ามีพระสมันตจักสุเป็นผู้รอบรู้จริงๆสิ่งที่ไม่ไม่ถูกรู้เนี่ยไม่มีรู้หมดอะแล้วก็สิ่งที่จะต้องแนะนำมีปริมาณเท่าใดพระองค์ก็รู้หมดอย่างนี้แหละเรียกว่าสมันตจักสุก็คือมีสัพพัญญุตญาณเนยนะ มีความรู้มากความเห็นไม่ขัดขอ้อ ง, งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันรู้ยิ่งทั้งสังขารวิการประมัทบัญญัติในรอบรู้แม้กระทั่งพระเนพาล น, นะนะสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ไม่มีเลยคําว่าสั ก, กะสั ก, กะเนี่ยนะสั ก, กะนี้โดยสามแปลว่าผู้กล้าเนี่ยแต่ว่าโดยความหมายมีหลายอัดด้วยกันก็คือข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผนวดจากสากยสกุลเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสั ก, กะ สักกะก็มาจากสักยะนะอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากนับว่ามีทรัพย์เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสักกะเพราะพระองค์มีทรัพย์มากเป็นคนรวยนะคำว่ารวยเลยเป็นสักกะคำว่ามีทรัพย์มากทรัพย์ในที่นี้ก็คือทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริทรัพย์คือโอตตะปะทรัพย์คือสุตะทรัพย์คือจาระทรัพย์คือปัญญาอันนี้ที่คุณเคยกันเรียกว่าอริยทรัพย์เจประการ ศัทธาสีนิริตตปะสุตจารค้าปัญญาหรือมีทรัพย์คือโพธิปัจฉิยธรรมในแก่สติประธานสี่ซั์คือสัมมาประธานสี่ซั์คืออิทิบาสีรัพย์คืออินรียห้าซั์คือพละห้ัพย์คือโพชองเจ็ทรัพย์คือมรแปดแล้วพระองค์ก็ยังมีทรัพย์คืออริยผลและพระนิพพานมันก็เรียกว่าผู้มีทรัพย์มากนะพงษ์ไม่กันดารเลยนะตั้งแต่สีนิศรัทธาเนี่ยเป็นสุดยอดของผู้มีศรัทธา เป็นสุดยอดของผู้มีศีลมีหตนะในบรรดาผู้ละอายชั่วกลัวบาปไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าบรรดาผู้ที่ฟังมากไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าสุตตะในที่นี้นะสุตตะเช่นว่าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในพบก่อนๆพระองค์ก็ฟังม า, มากทรงพระไตรปิดกมาไม่รู้กี่ชาติตกวี่ชาติอันนั้นคือฟังอดีตชาตินะในขณะเดียวกันพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพหูสูตรโดยปฏิเวทพหูสูตรโดยการพิจารณา พหูสูตรโดยการบรรลุดงนั้นสิ่งที่พระองค์รู้มากก็เรียกว่าพหูสูตรมากอะน น, น, นเดียวกันพระองค์สละทั้งวัตถุภายนอกและกิเลสภายในพระองค์เนี่ยมีปัญญาอย่างสูงสุดเนี่ยนะโพธิปัจจยธรรมพวกนี้ก็เป็นทรัพย์ของพระองค์ที่พระองค์เนี่ยมีเพียบพร้อมบริบูรณ์หมดเลย <c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้ามั่งคั่งมีทรัพย์มากนับว่ามีทรัพย์ด้วยรัตนาทรัพย์ล้านอย่างเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสกกะ ก็คือผู้มีทรัพย์มากอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้องอาจเนี่ยนะผู้อาจผู้องอาจอาจฐานมีความสามารถผู้กล้าผู้แกล้วกล้าผู้ก้าวหน้าผู้ไม่ขาดไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งผู้ไม่หนีผู้ละความกลัวความขลาดเสียแล้วปราศจากความเป็นผู้ขนลุกขนพองเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสักก้าจริงๆเนี่ยนะคำว่ากล้าเนี่ยไม่ขั้นคร้มแม้แต่ แถ่งหนตำบลใดเนี่ยไม่มีการคลั่นคลามสะดุ้งหวาดเสียวไม่มีเลย